รักแท้ความยุ่งยากของเรื่องรักๆใกร้กรนั้นก็คือเมื่อฝันสลายความผิดหวังจะสามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับเราได้อย่างแสนสาหัสในความรักใคร้นั้นเราไม่ได้รักคู่ชีวิตของเราอะไรนักหนาเราเพียงแค่รักความรู้สึกที่เขาทาให้มันเกิดขึ้น เรารักเจ้าความรู้สึกทราบซ่านที่เกิดขึ้นเมื่อเขาอยู่กับเราจึงเป็นเหตุให้เราคิดถึงเขาเมื่อเขาอยู่ห่างไกลจนต้องขอให้เขาส่งขวดบรรจุจุดจุดจุดตามที่เล่าในเรื่องที่แล้วมาให้เช่นเดียวกับความทราบซ่านทั้งหลายสักระยะหนึ่งมันก็จะซาไปเอง รักแท้คือรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเราจะเป็นห่วงเป็นใยเขาเราจะบอกเขาว่าประตูใจของฉันเปิดรับเธอเสมอไม่ว่าเธอจะทำอะไรเป็นอย่างไรและเราก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆเราต้องการเพียงให้เขาเป็นสุขรักแท้นั้นหาได้ยากริง พวกเราหลายคนมักคิดว่าความสัมพันธ์พิเศษที่เรามีเป็นความรักแท้ไม่ใช่เพียงความรักความใคร่ที่ ห, หวือหวาลองทดสอบดูสิว่าความรักที่เรามีเป็นความรักชนิดไหนกันแน่จงคิดถึงคู่ชีวิตของเราวาดภาพเขาไว้ในใจระลึกถึงวันที่เราพบเขา และวันเวลาอันแสนสุขที่ได้อยู่ร่วมกันตั้งแต่นั้นมาเอาละทีนี้ลองวาดภาพว่าเราได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากคู่ชีวิตของเราเขาเขียนมาสารภาพว่าเขาเกิดหลงรักเพื่อนสนิทที่สุดของเราอย่างลึกซึ้งและขณะนี้คนทั้งสองกําลังหนีไปอยู่ด้วยกันเรารู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นรักแท้เราจะต้องรู้สึกตื่นเต้นที่คู่ชีวิตของเราได้พบคนที่ดีกว่าเราและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเราจะสุขใจที่คู่ชีวิตและเพื่อนสนิทที่สุด ข, ของเรากำลังมีวันเวลาอันแสนสุขด้วยกันเราจะปลาบปลื้มยินดีที่เขาได้รักกันก็ความสุขของคนที่เรารักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในรักแท้ไม่ใช่หรือ รักแทนน้นหาได้ยากยิ่งมเหสีของกษัตริย์กำลังเฝ้ามองพระพุทธเจา้ขาขณะที่พระองค์ทรงออกบินทบาทอยู่ในเมืองจากบานหน้าต่างในพระพราชวังกษัตริย์ทรงเฝ้ามองเมเหสีและเกิดความริษยา ในความเลื่อมใสบูชาที่นางมีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะรู้ว่าพระนางรักผู้ใดมากที่สุดพระกุทธเจ้าหรือพระสวามีพระนางเป็นศิษย์ผู้เลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นที่สุดหากในสมัยนั้นคุณจะต้องระมัดระวังมาก โดยเฉพาะเมื่อมีสามีเป็นถึงกษัตริย์เพราะหากขาดสติย่อมหัวขาดได้พระนางดำรงสติไว้ได้ส่งต่อพระสวามีอย่างจริงใจที่สุดว่าหม่อมชั้นรักตัวเองมากกว่ารักท่านทั้งสองเพคะ หมายเหตุเรื่องนี้มีเขาโครงเรื่องมาจากสังยุตตนิกายสขาทวัตโกสลสังยุตสูตรที่8และจากคุตตกนิกายอุทานห